สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทยพิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อเดิมคือที่ภูเขาคาราเมลการพนันขันต่อของเอริยากับพวกพระของบาอันนั้นก็ดำเนินไปผมจะขออัญเชิญพระวจนะของพระเจ้าในข้อที่3 0มสจนข้อที่40ครับพระธรรมหนึ่งพงศษัตรบที่18บข้อที่30ิจนถึงข้อที่4 0โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้า เอลียาจึงกล่าวแก่เหล่าประชากรว่ามาที่นี่เถิดพวกเขาก็มาเอลียาซ่อมแท่นบูชาขององค์พระวิญเจ้าซึ่งอยู่ในสภาพหักพังเอลียานำหินมาสิบสองก้อนแต่ละก้อนแทนแต่ละเผา่าซึ่งสืบเชื้อสายมาจากยาโคบผู้ซึ่งองค์พระิญเจ้าได้ตรัสไว้ว่าอิสราเอลจะเป็นนามของเจ้าเขาใช้หินสร้างแท่นบูชาในพระนามพระยาเวและขุดร่องรอบแท่น พอที่จะใส่เมล็ดพืชได้ประมาณ15หลิตรเขาเรียงฟืนบนแท่นและสับวัวหนุ่มตัวนั้นเป็นท่อนๆวางบนฟืนแล้วสั่งว่าจงตักน้าให้เต็มสี่ถังเทลงบนเครื่องบูชากับฟืนเขากล่าวว่าจงทําอีกครั้งพวกเขาก็ปฏิบัติตามแล้วเขาสั่งว่าทาเป็นครั้งที่สมพวกเขาก็ทําตามเป็นครั้งที่สามน้านั้น ไหลรอบแท่นเต็มร่องที่ขุดไว้พอถึงเวลาถวายเครื่องบูชาผู้เผยพรชนะเอลียาเดินมาข้างหน้าและอธิษฐานว่าข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของอับราฮัมอิสอักและอิสราเอลขอให้เป็นที่ทราบทั่วกันในวันนี้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งอิสราเอลและข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์และกระทาทั้งหมดนี้ตามพระบัญชาของพระองค์ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงตอบข้าพระองค์โปรดตอบเถิดเพื่อประชากรเหล่านี้จะได้รู้ว่าพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าและพระองค์ทรงนำจิตใจของพวกเขากลับมาหาพระองค์ทันใดนั้นเองไฟขององค์พผู้เป็นเจ้าก็ตกลงมาและเผาเครื่องบูชาฟืนหินและพื้นดินตรงนั้น และแม้แต่น้าในร่องรอบแท่นก็แห้งไปหมดเมื่อประชากรเห็งดัน ง, งั้นก็ซบหน้าลงร้องว่าพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าแล้วเอลียาห์ก็สั่งพวกเขาว่าจงจับกลุ่มตัวผู้ทำนายของบาอันไว้อย่าให้หนีรอดไปได้แม้แต่คนเดียวแล้วพวกเขาก็เข้าจับกลุ่มเอลียาห์นำตัวบรรดาผู้ทานายไปประหาร ที่หุบเขาขี่โชนพี่น้องครับเมื่อวานนี้เราจะเห็นถึงความล้มเหลวของผู้เผยพระชนะเทียมเท็ดคือบางอันพวกผู้เผยเทียมเท็จเรียกร้องละวิงวอนพระของตัวเองตลอดช้าร้องลํำทำเพลงเต้นรำรอบแท่นบูชาของพระของตัวเองเพื่อเร้าการตอบสนองของพระจนถึงเวลาเที่ยง เอลยาก็เริ่มย่อเยอ้ยพวกเขาถากถางถึงความไร้ประสิทธิภาพของพระพระนั้นอาจจะสารวนอยู่กับเรื่องอื่นอยู่หรือติดตุล้ละอยู่หรือเดินทางไปพักผ่อนชาวฟิลิเซียนนั้นเป็นชาวเรือครับเชื่อว่าพระบาอันนั้นไปกับพวกเขาเมื่อเขาต้องแล่นเรือไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหรือตามที่อื่นต่างๆหรือพระบาอันอาจจะนอนหลับอยู่และน่าประหลาดใจเมื่อ คนของพระบาะอานยิ่งอธิษฐานวิงวอนอย่างเร่าร้อนมากยิ่งขึ้นลองนำทำเพลงอย่างบ้าคลั่งเชืออเฉินเนื้อของตัวเองเพื่อเรียกร้องความสนใจนั่นเป็นประเพณีในการนามัสการพระต่างชาติที่ถือปฏิบัติมาเป็นเวลาช้านานครับในตั้งแต่สมัยโบราณเลยทีเดียวจนกระทั่งถึงเวลาที่ชาวอิสราเอลจะถวายเครื่องบูชาตอนเย็นนั่นคือเวลาบ่ายสามโมงครับก็ไม่มีการตอบสนองใดๆไม่มีคำตอบใดๆจากพวกพระบาะอานเลยครับ พระมาอันไม่ตอบคำอธิษฐานของพวกเขาตลอด6ชั่วโมงในการไล่ลำทำเพลงในการที่จะนมัสการและทูลขอให้ตอบคำอธิษฐานไม่มีฟ้าผ่าไม่มีไฟลงมาแม้ว่าพี่น้องครับเทือกเขาคาราเมลใกล้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตรงนั้นเนี่ยนะครับมีฟ้าผ่ามีฝนตกอยู่เสมอแต่ไม่มีเลยครับพอมาถึงรอบของเอลยาบ้างความสาเร็จของเอริยานั้น เป็นที่ประจักษ์ครับผู้เผยพระนะของบาอันไม่ประสบความสำเร็จแต่เอริยานั้นได้เชิญชวนประชาชนได้เข้ามาใกล้เลยสังเกตดูว่าไม่ใช่เล่นกลแน่นอนแต่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงเป็นความอัศจรรย์ของพระเจ้าเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้าผู้เผยพระชนะบาอันนั้นไม่ประสบความสาเร็จแต่เอริยาประสบความสาเร็จครับวิธีการของเอริยาก็คือว่า ท่านไปถึงแท่นบูชาของพระเจ้าที่ถูกทิ้งร้างอยู่ในกองซากปหลักหักพังนั้นเอลียานั้นก็เลือกหิน12ก้อนแต่ละก้อนนั้นเป็นตัวแทนอิสราเอลแต่ละเผ่าพวกเขาเป็นชนชาติของพระเจ้าในพระประสงค์ของพระเจ้าพวกเขาควรจะมีพระเจ้าองค์เดียวและมีพันธสัญญาเดียวครับเอลียานําก้อนหินเหล่านั้นซึ่งเป็นตัวแทนของพวกเขา วางอยู่ทำเป็นแท่นบูชาขุดเป็นคูน้ำขุดเป็นร่องรอบๆแท่นบูชาใส่เมล็ดพืชไปประมาณสองถังแล้วก็เอาน้ำราดครับหลังจากที่ฆ่าวัวผู้แล้วก็เอามากองไว้บนฟืนเอาน้ำราดนะครับน้ำมาจากไหนครับน้ำคงจะมาจากลำธารคีชนในหุบเขาข้างล่าง หรืออาจจะนํามาจากน้ําทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็ได้แต่ทำให้เปียกชุ่มไปเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าไฟที่จะเผาเครื่องบูชานี้ไม่ใช่ไฟธรรมดาครับไม่ใช่เกิดจากการเล่นกลครับแต่การตักน้ําใส่เครื่องบูชาก็ยิ่งทำให้เหตุการณ์ต่างๆนั้นยิ่งดูแล้วเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเล่นกลหรือเป็นไม่ได้ที่จะเป็นไฟธรรมดานี่คือ สิ่งที่พิสูจน์ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเอ利亚ก้าวออกมาข้างหน้าแล้วอธิษฐานครับไม่มีอาการแปลกประหลาดแต่เพียงแต่ทูลกับพระเจ้าเหมือนกับการพูดคุยกับพระองค์อย่างปกติธรรมดาแต่เนื้อหาสาระนั้นเป็นเนื้อหาที่ชัดเจนครับว่าเพื่อให้อิสราเอลกลับใจใหม่เพื่อให้อิสราเอลกลับใจใหม่หใใหมถ้อยคาที่บันทึกคาอธิษฐานของเอ利亚 ได้แสดงให้เห็นว่าท่านเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่แท้จริงครับท่านอนธิษฐานอย่างมีวัตถุประสงค์และเพื่อประชากรของพระเจ้าและให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระยาเวพี่น้องครับเพียงแต่ผู้รับใช้ที่เชื่อฟังทำตามบัญชาของพระองค์ไม่ได้ทำอะไรด้วยพลักการ ท่านทูลขอต่อพระเจ้าพระเจ้าก็จะตอบคบอธิษฐานของท่านในที่สุดครับไฟก็ตกลงมาจากสวรรค์เผาผ่านเครื่องบูชาไม้ดินน้ำทุกอย่างครับประชาชนก็ร้องออกมาอย่างพร้อมเพรียงกันด้วยความพิศวงสนเทเป็นอย่างยิ่งเขารู้จักพระเจ้ามานานแต่ยังไม่มีประสบการณ์ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเขาถูกทาให้ไขว้เขวด้วยพระเทียมเพชมานาน บัดนี้เขาได้เห็นว่าพระเจ้าพระยาเวตอบคำอธิษฐานด้วยไฟครับพวกเขายอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่พระองค์เดียวผลของการพรนันขันต่อครั้งนี้เราจะพบว่าในที่สุดประชาชนก็ถูกเรียกร้องให้ประหารชีวิตพวกผู้ผเผยพระนะเทียมเทศของบาอันเซียนั่นเป็นการเชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้าตั้งแต่ในสมัยอดีตมาแล้วนะครับ ก็คือเฉลยธรรมัญญิบทที่1ิข้อที่12ถึงข้อที่15เป็นการเชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้าในการปาหารชีวิตพวกผู้เผยโภชนะเทียมเท็ดประชาชนเชื่อฟังเอลียาครับแล้วเอลียาหนนได้พยากรเกี่ยวความแห้งแล้งให้กับอาหับบัดนี้ก็บอกต่อว่าจะมีฝนตกพื่อนครับนั่นคือการจบลงของเรื่องราวภูเขาคารเมล เราจะเห็นได้ว่าพระเจ้านั้นได้ทรงกระทํำหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของผู้รับใช้และหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของประชากรของพระเจ้าตั้งแต่ให้เกิดการข่มเหงตั้งแต่ให้เกิดการการด้านอาหารเพียงคับชีวิตของเอริยาถูกสร้างถูกสร้างให้มั่นใจเพื่อที่จะได้ชัยชนะในวันนี้ไม่ใช่เป็นของที่ง่ายๆครับในการที่จะสร้างสาวกไม่ใช่เป็นของ ง่ายในการสร้างผู้รับใช้แต่พระเจ้าก็มีพระประสงค์ให้ผู้รับใช้ของพระองค์ได้รับการเสริมสร้างพระเจ้าก็มีวิธีการของพระองค์ที่จะเสริมสร้างผู้รับใช้ของพระองค์และเสริมสร้างประชากรของพระองค์และทําให้ประชากรของพระองค์นั้นได้กลับใจเสียใหม่ได้รู้ว่าใครเป็นใครได้รู้ว่าใครเป็นผู้ที่มีฤทธิ์อํานาจสูงสุดได้รู้ว่าสิ่งที่บรรพบุรุษของเขาคืออับราฮัมอิสอักและอิสราเอลนั้นเคารพ บูชานมัสการพระเจ้านั้นย่อมมีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปมีประวัติศาสตร์ทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นการเชื่อฝังพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่สําคัญครับและการกลับใจใหม่หันมาหาพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่สําคัญเมื่อเรานั้นอยู่ห่างจากพระเจ้าเราจะต้องสํานึกว่าหลายครั้งทีเดียวในหลายๆด้านของชีวิตของพวกเรานั้นจะต้องการการกลับใจเสียใหม่ ต้องการการพึ่งพาพระเจ้าต้องการการเชื่อฟังพระเจ้าให้มากขึ้นให้มากกว่านี้และเพื่อให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าอาจจะส่งบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในชีวิตของเราเหมือนกับที่ส่งเข้ามาในชีวิตของเอริยาให้พนางเยเซเบลนั้นขู่ฆ่าขมเหงให้การกัรทานอาหารนั้นทำให้เห็นถึงการเลี้ยงดูจากพระเจ้าและ ให้เสียงต่างที่เกิดขึ้นในการรับใช้พระเจ้าทำให้เขามั่นใจเขาจะทำการใหญ่มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าจึงขอหนุนใจพี่น้องที่เป็นผู้รับใช้และหนุนใจผู้พี่น้องที่เป็นประชากรของพระเจ้าพระเจ้ามีวิธีสร้างของพระองค์สร้างเราให้เป็นสาวกสร้างเราให้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าสร้างเราให้ตามที่พระเจ้าต้องการเพียงแต่เรา ดำเนินด้วยความเชื่อฟังอดทนและอยู่ในแผนการของพระเจ้ายาห่างแผนการของพระเจ้ายานี้พระเจ้าก็จะอวยพรและทําสิ่งที่สําเร็จโปร่ง ผ, ผู้ทรงเริ่มต้นการดีในชีวิตของท่านทั้งหลายโปร่งจะทรงกระทําให้สําเร็จอาเมน